ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องคันธสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยกลิ่นซึ่งไปได้ทั้งทวนลมและตามลมในคราวหนึ่งพระนุลเทระได้ประรบถึงกลิ่นของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะคือกลิ่นที่เกิดจากรากของต้นไม้ กลิ่นที่เกิดจากดอกได้ลกลิ่นที่เกิดจากแก่นถ้าก็มองดูแล้วเห็นว่ากลิ่นทั้งสามประ ก, การนั้นมันก็ไปได้เฉพาะในยามที่ตามลมเท่านั้นเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปได้ทวนลมแล้วเกิดข้างใจสงสัยว่ามันมีกลิ่นอะไรที่สามารถไปได้ ท, ทวนลมและตามลมได้ เราเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพรเจ้าก็ทรงแสดงว่ากลิ่นที่สามารถไปได้ทั้งทนลมได้ตามลมนั้นก็เรียงไปลำดับนะฮะกลิ่นแรกก็คือสีนแล้วทรงขยายไปแค่สีห้ากลิ่นที่สองก็คือความมีธรรมะหรือทรงธรรมะ แล้วก็สามารถที่จะกระจัดความเสน่ห์ออกไปจากใจมีน้ำใจเสียสละก็มีความพร้อมที่จะอุปการะช่วยเหลือบุคคลทั้งหลายซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือศีลคือธรรมคือทานตะเรียงลำดับสมัยนะฮะ ก็คือทานศีลธรรมะพระพุทธภาสิทธิ์ชุดนี้ได้ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆมากในที่บางแห่งมีคนมากราบทูลถามว่าคนจะปฏิบัติอย่างไรจึงไม่กลัวต่อประโลกคือไม่กลัวตายพอตายไปแล้วจะต้องตกนรกมีความเดือดร้อนพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะชุดนี้ เพราะจึงปรากฏในที่หลายๆแห่งแต่ทรงแสดงคนละแนวนะ่างแต่ว่าผลมันจะออกมาแนวเดียวกันในประการแรกก็คือศิลเป็นกุศลและเจตนาที่มองเห็นคุณเห็นโทษของศิลอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตและท่านทั้งหลายสังเกตดูว่า สภาพความคิด จ, จิตใจของชาวโลกเนี่ยในความเป็นเราเป็นเขาที่ค่อนข้างรุนแรงพวกเดียวกันก็ฆ่ากันฮะอย่างที่ข่าวกร า, าวรัเสเซียไปบอมตีประเทศของตัวเองแล้วพวกเขเมนก็ฆ่า เ, เมงกันอยู่ทุกวันดังความรุนแรงในแนวเนี้ยมันก็เกิดจากความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่แรง ทีท่านเรียกว่ามองกันเป็นมิสัญญีคือมองกันเป็นสัตว์ที่ไล่ล่า ก, กันแล้วก็ถือว่าเป็นวีรกรรมที่สามารถฆ่าคนอื่นได้ถึงถ้าเรามองภาพเหล่านี้ให้เห็นนะฮะในสมัยขเขมรที่รุนแรงเนี่ยแต่ว่าเด็กอายุสิบปุ๊บข่ฆ่าเพื่อนได้เราก็ตัดหัว เอามาขีโว้ยโจแอคท่าไอถ่ายรูปสง่ามมากแกรู้สึกสง่ามแกมากมๆาๆกเกิดแสดงตว่าจิตใจที่ขาดติดสานึกคือขาดธรรมะเพราะว่าถูกฝึกปรืออบรมให้ข้ามาตลอดเด็กก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรบางคำสอนในศาสนาท่านยิงเริ่มที่ศีลเพราะศีลนั้นที่จริงแล้วก็เป็นการสร้างความรู้สึก มันยังมีความเป็นเราเป็นเขาคือสีนี้มีเราเป็นยังเป็นเราเป็นเขาเพียงแต่ว่าฝึกปลือจิตใจให้ยอมรับนับถือเขาแล้วก็นับถือเรามายความเคารพสิทธิของกันและ ก, กันสิทธิของคนเราเมื่อกล่าวโดยรวมมันก็มีแค่สามอย่างสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในคู่ครองก็จบหลัก สิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ถูกใครมาบิดเบือนหลอ ก, ก, กลวงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นนั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ทุกส่วนของโลกแม้แต่สิ่งที่เราเรีย ก, กว่าประชาธิปไตยในปัจจุบันที่จริงเราก็พูดเรื่องสิทธิแต่พูดเรื่องหน้าที่เพียงแต่ว่าเมืองไทยเรานั้นชอบใช้สิทธิ เรียกร้องสิทธิแต่ไม่ค่อยทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีปัญหาเพราะจริงๆสิทธิมันเกิดจากหน้าที่สิทธิมันเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่มันก็กลายเป็นการคุ้มครองรักษาสิทธิต่อกันวัน ต, ตรงนี้พระเจ้าก็วางไว้เป็นสีลห้าข้อในสีล5้าข้อเนี่ย เรามองในที่อื่นด้วยนะเดี๋ยวเพราะว่าสี่ข้อที่สี่เนี่ยมันเป็นอบายมุกเป็นพื้นของมันเนี่ยเป็นอบายมุกเป็นทางเสื่อมไม่ใช่เป็นความชั่วสากลที่จะสากลก็ต่อเมื่อเ ม, อมามากนะขาดสติที่ศาสนาใช้คำว่าประมาทฐานเป็นที่ตั้งของความประมาท ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็อาจจะทำผิดเป็นการริดรอนสิทธิหรือทำลายสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของการแบ่กันได้ตัวเนื้อหาหลักจริงๆมันก็อยู่แค่สี่ข้อแรกคือเรื่องของชีวิตเรื่องของทรัพย์ทั้งเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้เรื่องของคู่ครองเชื้อสายประเวณีคาว่าประเวณีจริงหมายถึงเชื้อสายนะ ความมาเป็นการสืบเชื้ อ, อสายทุกเผาเหล่ากอของคนไม่มีความสับสนไม่มีใครมาแทรกอยู่ในสกุลในวงหลดนั้นแล้วก็สิทธิด้รับการในการรับฟังข้อมูลข่าวสารในวิธีการอะไรก็ตามนะฮะวิธีการสื่อสารเราก็มีแยะก็สรุปว่ารับฟังข้อมูลข่าวสารในทางที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็จบละ แต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยในพื้นฐานความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเนี่ยล้วก็อดที่จะทำลายกันไม่ได้อดจะทำลายชีวิตกันไม่ได้ทำลายทรัพย์สินกันไม่ได้ทำลายระบบคู่ครองไม่ได้หรือว่าหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีกันไม่ได้แล้วถ้าก็บัญญัติขึ้นมาเป็นรูปของศีลแต่ลองสังเกตตั้งสี่ข้อเนี่ยมันมีกฎหมายยังไ ทั่วโลกมีกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทั้งนั้นมีทั้งระดับของกฎหมายทั้งระดับจารีตแต่ระดับประเพณีระดับวัฒนธรรมจนถึงก็มีมาตรการที่รุนแรงเรียกว่าตายตกไปตามกันสำนวนเป่าบุญจินฆ่าคนต้องชดใช้ชีวิตนี่คื อ, ค, อคือเราจะเห็นได้ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยอมรับตรงนี้แต่ว่าเอาควาจริงแล้วเนี่ยแม้ใช้ทุกอย่าง่ะทุกเรื่องเลยนะฮะมาตรการทั้งหลายถ้าลองสังเกตไปคุ้มครองตรงนี้สี่จุดตรงนี้ทั้งหมดแต่ก็ยังก็ยังมีปัญหาอย่างเนี้ยพอถามประนามเรื่องอะไรก็เรื่องตรงเนี้ยเรื่องบาทุสไรต่อชีวิตต่อทรัพย์ต่อคู่ครองการโกหกใส่ร้ายป้ายสีบัดสนทงสนเท คนไทยเรานะ่ะชอบปัญชนเทสปัญชนเทนี่ออกชอบออกจริงๆแล้วก็ท้าทายนะฮะท้าทายท้าแน่จริงต้องตอบแต่ไม่บอกที่ที่มานะฮะไม่บอกไม่บอกว่าเขียนมาจากไหนใครใครเขียนแล้วไม่รู้จะให้ตอบยังไงเหมือนกันอันนี้ก็คื อ, ก, คอก็คือลักษณะของความบกพร่องในด้านศีลที่เราถามถึงจิตใจของเขานี่คิดยังไงมันคิดแบ่งแยกเหมือนเดิม หมวามว่าความคิดเป็นเราเป็นเขาแล้วต้องการจะปลนปลือพวกเราจึง เ, เลยกระทำลายเขาทํำลายพวกเขาบทบัญญัติของศีลจึงต้องเกิดขึ้นจากปัญญาที่มีการตรวจสอบพินิพจนาในแนวที่ทรงใช้คําว่าทําตนเป็นอุปมาอาตางอุปมังกตวะทําตนเป็นอุปมา ที่มาวิตถิลัยมาโดลเข้าไปใช้อัตาหนังบุมังกเรนะฮะจะทำตนเป็นอุ ป, ปมานึกถึงใจเขาใจเราเราก็งดเว้นไม่กระทําเช่นนั้นในการงดเว้นนั้นตั้งใจงดเว้นก็ได้นะหรือแนวสมทานที่สมทานไปแล้วก็ได้หรือไม่ตั้งใจงดเว้นมาก่อนแต่พอมีเหตุให้ร่วงละเมิดเราก็ เกิดมโนธรรมสำนึกขึ้นมาอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรแก่เราแล้ก็ไม่ทําคือไม่จําเป็นจะต้องไปรักษาศีลมาก่อนก็ได้เพราะจริงศีลแล้วมันเป็นเรื่องของจิตสํานึกนะฮะเป็นเรื่องของมโนธรรมสํานึกที่คนเราขอเพียงมีเหตุผลสักเล็กน้อยมันก็คิดได้แล้วอ่าอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังก่อนที่ว่า ลูกเดินตามหลังพ่อไปพ่อถือปืนลงไปกำลังตั้งเล็งปืนจะยิงนกลูกถามว่าพ่อทำอะไรพ่อจะยิงนกถ้ายิงพ่อมันตายแล้วลูกมันจะอยู่กับใครเหมือนกับพ่อตายเนี่ยล้วจะผ ม, ผมจะอยู่กับใครเห็นไหมวยจิตสานึกของเด็กเนี่ยมันคิดได้พ่อก็เลิกฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคนหนึ่งเนี่ยพ่อกาลังจะแทงปลาที่มีลูก ลูกคลอดนะลูกลูกปลามากมีเจ้าท่จะแต่งตัวแม่เป็เงื้อมือลูกก็ถางยังไะพอแต่งแต่งแม่มันตายแล้วลูกมันจะอยู่กับใครพ่อก็เงื้อมือค้างก็หยุดเห็นว่าเป็นเป็นเป็ น, ปนมนโนธรรมสำนึกพี่พอคิดกลับเข้ามาหาเราแล้วเราก็คิดได้แต่ว่าไม่ยอมคิดหรือว่าคิดไม่ได้หรือว่าคิดแล้วแต่ว่าควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้ เมื่อคืนนไปปาตากถาที่วัดพระพิเรนเแสดงมุทิตาจิตตบคุณรำปิตกมีคนก็มาแนะนำวันนี้เป็นน้องสาวของหมอที่ถูกฆ่าเราก็นึกไหมคนฆ่าหมอนี่มันใจดำจังเนี่ยฆ่าหมอฆ่าพระในใจดำจังพยาบาลฆ่าครูเนี่ยคือพวกช่วยสังคมนะฮะไปฆ่าก็ได้ยังไง แต่นึกไปนึกมาเมื่อวานเขาก็พลาดหัวประหารชีวิตหมอฆ่าเมียเหมือนกันก็หมอก็ฆ่าคนเหมือนกันเดมันก็เวรกรรมก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจของคนที่ฆ่าคนเออซึ่งมีคุณอุปการได้เนี่ยมันก็เขี่ยโหดมากรุนแรงมากเพราะว่าไม่ทำลายเฉพาะประโยชน์ของคนนั้นคนเดียวแล้วครอบครัวของคนคนนั้นคนเดียว แต่คเหนี้ถ้าปล่อยเขาอยู่ก็ทําประโยชน์แก่โลกได้อีกเยอะเลยสังคมในพึ่งพาใสากันอีกเยอะแล้วเราไปฆ่าเขาแสดงให้เห็นถึงลักษณะของโมหะโทสะโลภะก็ไม่รู้อะไรเลยนะก็แล้วแต่ว่าเขาประรบเรื่องอะไรแต่จะมีโมหะนี้อยู่ด้วยตลอดคือความหลงความขาดเหตุผลอยู่ตลอดแต่ในการการรักษาสีเนี่ยท่านท่านท่านใช้คำว่ารักษา มันมีคนเคยถามเคยเทศกันนะฮะเทศตอนบวชใหมๆ่ๆมันพวกก็ถามเหมือนธรรมะแล้วเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนเขาถามว่ารักษาศีลให้กินอะไรรักษาหวยกินหญ้ารักษากายให้กินอาหารอะไรอะไรนี่รักษาแล้วต้องให้กินถามรักษาศีลให้กินอะไรเมื่อก็นึกไม่ทันนะฮะแต่ก็ตอบได้ว่ารักษาศีลให้กินสัตว์สัตว์อะไรก็คือสัตว์จัก จะเห็นว่าอะไรเพราะว่าสมาทานศีลไปแล้วใครไมไ่ตามไปคุมเป็นสัจจะปฏิยานของเรานะเป็นสัจจะปฏิยานของเราที่เรารับปากไว้อย่างนั้นน่ะว่ารักษ า, าศีลปานาติปาตาเป็นต้นแล้วเราก็ไปไม่มีใครไปตามควบคุมเอ๊ะคุณรักษาได้จริงหรอือเปล่าแต่เมื่อสาบใดที่เรายังมีสัจจะเนี่ยเราจะรักษาศีลนี่ได้ตลอด ผล ร, รักษาศีลก็คือให้กินสัตว์นะแต่สัตจะเป็นสัตจะปฏิญาณเป็นสัตจะวาจาบางอย่างก็เป็นสัตยาทิฏฐานใคระอทิฏฐานเอาแล้เวเมื่อมีสัจว์จะตัวเดียวจะรักษาอะไรได้หยุดเยอะแยะหมดสัตจะจึงเป็นเรื่องใหญ่ๆมากๆนะเป็นลักษณะของ จิตสำนึกที่มีคุณธรรมเป็นฐานจนบางครั้งเป็นสัตยาธิฐานอธิฐานใจว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราจะไม่ดื่มเหล้าจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่อะไรเนี่ยในห้าข้อเนี่ยแล้วเราก็ทำได้รักษาได้จริงๆทีนี้การการรักษาศีลเนี่ยเอาก็จริงมันไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่ นอกจากว่ามันเข้าระดับที่เรียกว่าเป็นอารยการดศี น, นซึ่งก็ยกตัวอย่างให้ฟังวารักษาจนไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระแล้วไม่เพิ่มตนามมานาทิฏฐิไม่ดูถูกลูมินบุคคลอื่นจนบินอยูชนยกย่องว่าเป็นผู้มีศีลจริงๆซึ่งเรื่องนี้ที่จริงทำไม่ได้ง่ายๆนะ เพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยมันมีลักษณะของเสแสง้งมารายาโอ้อวดทำทีเป็นเคร่งทำทีเป็นมีศีลแต่จริงๆก็ไม่มีเพราะศีลจึงไม่ค่อยจะมั่นคงแต่ว่ามันมันมันมนมนเป็นฐานเบื้องต้นฐานเบื้องต้นที่จะดําเนินไปศีลจะมั่นคงได้ต้องมีธรรมะเข้าหนุน หมายความมาแทนที่จะรักษาตัวศีลเนี่ยไปไปมีที่ตัวธรรมเป็นการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องรักษาคือการเคลื่อนไหวมันเป็นศีลไม่หมดเป็นปกติทางกายปกติทางวาจาเพราะอะไรเพราะใจเราปกติใจมีธรรมะเป็นใจที่ปกติเจ้าที่พระเจ้าทรงแสดงให้ทิสุรุปหนึ่งซึ่งมีปัญหาในจำนวนศีลคือข้อคล้องศีล รู้สึกว่ามากพระเจ้ากรรับสั่งรักษาจิตอย่างเดียวไม่ต้องคิดไปภายนอกอย่างอื่นไม่ต้องรักษานั้นไั้นเย็นว่าคือการอยู่ยังมีสติลึกรู้ทุกอิริยาบถ ท, ทุกขณะของความคิดเพราะเมืเ่อดึกได้ที่ตัวความคิดแล้วเนี่ยมันคุมมาถึงจิตแล้วจิตมันเป็นปกติเป็นไแล้วกายมันก็ปกติวาจาก็ต้องปกติเพราะว่า เราจะทำจะพูดอะไรมันก็อาศัยความคิดก่อนหัวใจมันปกติอย่างงิมก็ปกติไปหมดเลยการกลายเป็นศีลกี่ร้อยข้อกี่พันข้อก็ได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องนับอะไรมีลักษณะเหมือนจิตสํานึกว่าเราจะเป็นผลเมืองดีหรือเราเป็นผละเมืองดีทุกอย่างเนี่ยมันเป็นจิตสํานึกเป็นเป็นสามัญสํานึกโดยสั้ําไป คือสิ่งที่ผิดนั้นให้เราสังเกตมันเป็นผิดสากลเช่นเราไปลักของคนไปลักที่ไหนก็ได้ผิดตรงนั้นแหละมันผิดสากลการฆ่าคนฆ่าที่ไหนก็ผิดสากลเระพูดผิดทางประเวณีก็ผิดสากลโกหกก็ผิดสากลยุ่คนแตกแยกก็ผิดสากลแม้ในหมู่สัตว์เองนะแม้ในหมู่สัตว์เองให้เราสังเกตว่าใครไปทำอย่างนั้นมันก็เกิดเรื่อง สิ่งปรวศาสตร์มันพูดไม่ได้แต่แสดงอาการต่อต้านที่เราจะเห็นว่าเเช่นจะฆ่ามันก็วิ่งหนีหรือมันสู้หรือว่าไปประทุษร้ายเขาเนี่ยก็จะแสดงอาการหวาดกลัวหรืออาการต่อสู้ไปแต่ว่าเป็นการทําตามสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตพระท่านยิงสอนในแง่ของธรรมะว่ามีธรรมะหรือตั้งอยู่ในธรรมะ ลักษณะอะไรก็ตามที่เราพูดว่ามีธรรมทัานใก้คำว่ามีหมดนะฮะมีสติมีสัมจัิญามีความเพียรมีศรัทธามีปัญญามีเหตุมีอุปะชัยกำว่ามีหมดมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับมีความรู้มันเหมือนกับมีทรัพย์ความรู้กับทรัพย์เนี่ย ทรับย์งมีเนี่ยเราสามารถใช้จ่ายตอบสนองความต้องการของเราได้ตลอดในกแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันก็ดึงปัญหามาสู่เราเหมือนกันบางทีก็าอาจจะถูกโจม้นถูกจกชิงวิ่งราวอะไรต่างๆแต่ความรู้กับความดีเนี่ยมันลงมียิ่งใช้ยิ่งดียิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม ความรู้ยิ่งใช้มากยิ่งเพิ่มกลายเป็นผู้ชํานาญการในเรื่องเหล่านั้นบางคนในชํานาญการยิ่งใช้ความรู้ซ้ําๆซากๆเป็นหมื่นครั้งหมืนหมื่นครั้งนะแต่แล้วใช่อีกทําแล้วทําอีกจนกลายเป็นความความเชำนิชำนาญพูดแล้วพูดอีกมันก็ท่องมาเลยนะบางคนในพูดซ้ําๆซากๆจนรู้ได้ว่าต่อไปนะ่าจะเป็นอะไรมันก็เป็นสูตรนะฮะมันก็เป็นสูตรไป แล้วก็ความดีก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเรายิ่งทำความดีเรายิ่งเพิ่มเร่งการเพิ่มขอความดีเห็นได้ชัดเพราะมันเหมือนกับต้นไม้นะฮะหมายมาความว่าครั้งแรกเราจะท่งตัวเองได้รักษาตัวเองและอย่างศีลนี่เราจะรักษาตัวเองได้มันไม่ถึงคุ้มครองคนอื่นนะฮะศีลที่จริงมันคุ้มครองพวกเราเพียงแต่เราไม่ไปเบียดเบียนล่างปรานคนอื่น แต่ธรรมะเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่ปกแผ่แล้วแต่กิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลแล้วนอกจากจะให้ร่มเงาความเยือกเย็นกับลาต้นของตัวเองกิ่งใบดอกผลของตัวเองแล้วดอกใบกิ่งใบดอกผลเหล่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่คนอื่นคือเฟื่อต่อคนอื่นกิงอาศัยร่มเงาก็ได้เอาดอกก็ได้เอาใบก็ได้เอาผลก็ได้คนที่มีธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้น ครั้งแรกมันทําประโยชน์แกตัวเองระดับสีนี่ที่จริงมันทําประโยชน์แกตัวเองฉะน้นจึงเรียกว่าเบนเจเวนนวิรักคืองดเว้นจากเว้นจากภัยเราไม่สร้างเว้นสร้างภัยกับใครแล้วก็ใครก็ไม่สร้างเว้นสร้างเว้สร้างภัยกับเราคล้ายๆกับต่างคนดังอยู่ต่างคนตากก็เขารถกฎจราจรนะฮะไม่ชนกันก็ขับรถเราก็ไม่ชนกันก็สวนเงินไปสวนงินมาได้แต่พอธรรมะจะมีลักษณะปกแพ่จะมีลักษณะดูแลเอื้อเฟื้อเบื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ต้งก็แสดงแนวตรงกันข้ามนะฮะตรงนี้พระอาจารย์ยกตัวอย่างตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเรามีเมตตา เ, เมตตานี่เจอบ่อยน ะ, ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นธรรมะระดับโลกโลกโกปธรรมวิการเมตตานะฮะเมตตาเป็นธรรมคาจุนโลกเป็นสิ่งที่ที่ที่ ท, ท, ทราบซึ้งมากน ะ, ะข่าวคราวที่คนเป็นหลงอยู่ห้าคน ในเขาใหญ่นะฮะที่คนเราไปช่วยต่าง ม, มาทั้งสี่ห้าร้อยอันนี้คือวิญญาณไทยนี่คือวิญญาณไทยจริงๆที่เราตื่นเต้นมากเลยดีใจมากว่าเออพี่น้องเรายังมีน้ำใจอยู่มากนะฮะแล้วก็เสียสละตั้งสามคืนสามวันเขาก็เดินตลอดตลอดกันไปแต่ว่าทำไมล่ะทำไมพอแง่หนึ่งมุมหนึ่งจึงไม่คงคุณสมบัติเหล่านี้เอาไว้เราจะว่าคนที่ตก ไปหลงบ่าก็คือคนที่ตกทุกข์แต่ทําไมพอใครกล่าวหาใครว่าทําผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทําไมเราเหยียบละ่ะที่จริงคนก็ตกทุกข์เหมือนกันนะถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีทําไมไปเหยียบทําไมไปซ้ําเติมทําไมไปกระเือโหมให้ความเลวร้ายต่างๆเนี่ยซึ่งมีไม่มีเรา ย, ยัางไม่รู้เลยแม้แต่บัตรสนเทศที่เล่นข่าวอะไรรัฐมนตรีช่วยกักการกันคลั่งอะไรเนี่ยนะฮะ เราจะเห็นว่าไม่มีหัวไม่มีหางอะไรเลยแล้วเอามานก็พื้โหล่เล่นงกันไปเพราะแสดงว่าในส่วนหนึ่งมันก็ไม่มีคุณธรรมข้อ น, นี้ซึ่งลักษณะอย่างเดียวกันนะฮะลักษณะที่คนหลงอยู่ในป่าเนี่ยคือคนตกทุกข์คนที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาคือคนตกทุกข์แต่บาคนพวกนี้เราเรารุมกระทืบเข้าเลยนะลุมกระทุกเข้าเลย คนทํามานําไปทําแผนพระธุศกรรมเราล้อมจะสะกรรมเขาจะเอาให้ตายเลหมายความว่าคนนี้ฆ่าคนแล้วเราจะฆ่าเขาด้วยคือเราจะต้องการเป็นฆาตากรด้วยนั่นคือความสับสนจริ ง, รงๆแล้วลึกๆเนี่ยไม่สับสนเนี่ยนะฮะไม่สับสนที่ออกมาได้แล้วก็ดูข่าวเนี่ยเป็นคนรุ่นหนุ่มเป็นคนรุ่นหนุ่มๆแล้วก็มาที่ผู้ว่าท่านบอกมาจากประจีนมาจากนครนายกมาจากโคราชมาจากบุรีรัมย์อะไรแต่ละแถเนี่จังหวัดใกล้ๆนะ ตั้งสี่ห้ารอยแล้วก็มาด้วยส่วนตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ไม่ไม่มีใครให้สตางค์อะไรเลยนั่นคือน้ำใจไทยแท้ๆนะฮะมันอยู่อย่างนั้นแ่ะไทยแท้ๆมันอยู่อย่างนั้นแต่วความเลวร้ยรายในแนวนี้เราทิ้งคติธรรมของไทยไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามแบบนี้ไม่ใจะข้ามเฉยๆก็ทึบเลยนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่ามันหายไปไหน มันหายไปไหนไอเมตตาธรรมตัวนี้หายไปไหนทั้งๆ ท, ที่มันแสดงออกมาได้นี่นะแสดงออกมาได้ตอนที่อะไรอ่ะสองแม่ลูกถูกฆ่ามันก็ออกมาแนวนั้นคนเยอะเข้าไปช่วยหากันติดตามข่าวคราวกันลุยป่าลุยโครนกันอุตตุดเลยนั่นคือน้ำใจไทยแท้ ๆ, ๆมันมีจิตวิญญาณตัว น, นี้ยังมีนะแต่ว่าททำไมไปถึงจุดหนึ่งไปกระทืบเขาได้เป็นเรื่องที่แปลกมาก นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวิญญาณดิบเป็นสัญชาตญาณดิบที่มีในสัตว์โลกถ้าขาดการควบคุมวิญญาณดิบตรงนี้มันก็ออกมาก็คือวิญญาณสัตว์วิญญาณสัตว์สัญชาตญาณป่าสัญชาตญาณป่าที่ออกมาเราจะเห็นว่ากินพวกตัวเองเห็นไหมสัตว์เน่ยเวลานั้นมันเวละตายแล้วมันจะกินกันเองนะกินพวกกันเอง เป็นแบบสัตว์คือความคิดยังยังยังขาดการพัฒนาอยู่มากแต่ว่าลักษณะลักษณะที่แสดงออกนั้นคือคือจิตใจที่พัฒนาแล้วมันเอื้ออาทรมันห่วงใยมันเกิดจิตกรุณาต่อคนเหล่านั้นเพียงแต่ว่าทำไม่ได้ตลอดลนะฮะทำไม่ได้ตลอดมันก็ดีในบางจุด แต่เข้าใจว่าคนพวกนี้เวลาคนคนหกล้มอะไรเขาก็ไม่ซ้ำเติมนะฮะคนคนพวกที่อาสาไปไปช่วยเนี่ยจิตใจที่ดีงามอย่างนี้ยังมีอยู่ให้ให้ความอบูนได้มากแล้วก็เกิดมาจากความอะไรคือพื้นฐานลักษณะเมตตาที่มีการปลูกฝังแล้วก็ที่จริงก็เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งเป็นลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของคนไทยนะฮะที่เอื้อธนทรทรวงใหญ่ต่อกัน เพราะว่าถ้าเรามีเมตตาได้เนี่ยศีลจะกี่ข้อมันก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะาจะเห็นว่าศีลการละเมิดศีลเนี่ยเป็นการละเมิดในตัวคนละเมิดในตัววัตถุแล้วก็ทำลายตัวเองนะมันก็มีเรามีวัตถุมีคนอื่นสัตว์อื่นทีนี้ถ้าเรามีเมตตาเนี่ยเราก็ไม่ตามกันเริ่มที่เรา มันก็เหมือนกับเงาของต้นไม้ที่มันปกปกแผ่เนี่ยมันให้ความร่มเย็นตลอดเนี่ยคือคือที่ต้นตัวเองคนอื่นก็นานๆ น, นะะคนอื่นก็นานๆก็ผ่านมาเขาแวะเราก็ได้แต่ว่าที่แน่ๆที่สุดคือคือลําต้นของเรานีนเย็นเพราะว่ากิ่งมันปกแผ่ลงมาให้ตลอดจิต ใ, ใจที่มีเมตตาอย่างนั้นที่จริงมันเย็นที่ใจเรานะฮะคนอื่นเนี่ยไ่เจอเย็นน้อยนะมันานๆเจอกันบางคนมันก็ไม่ได้เจอกันเนะี่ย ยที่แน่นอนที่สุดคือเราสัมผัสผลเ่าดันแล้วมันก็จะออกมาพอถึงคนอื่นเราเมตตาต่อเขาเนี่ยอันนี้ของ เ, าเขาเราก็เกิดเมตตานะเพื่อนฝูงที่เราเมตตาเขาทาของลืมไว้เราก็หยิบไปให้เขานี่เห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าสภาพจิตมันจะปรับตัวขระมันเองอย่างหนึ่งคือการเลี้ยงชีพในทางสัมมชีพ ฉะนั้นว่าสัมมาชีพก็มีพื้นฐานของความรับผิดชอบของเมตตาเพราะว่าการประกอบอาชีพก็คือการเคารพสิทธิในทรัพย์ของกันเลิกันเห็นไหมฮะเคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันเลิกันตลราถึงทรัพย์สินเป็นของของส่วนรวมทรัพย์สินของแผ่นดินทรัพย์สินของชาติบ้านเมืองเวลนี้ที่ที่เราได้ยินข่าวคราวต่างๆเราไม่น่าเชื่อว่าคนไปกระทบเปลือกไม่สักเป็นแสนแสนต้น ไปแอบตัดไม้มันนึกไม่ออกนะฮะตัดไม้เนี่ยมันเสียงคน้นมันก็ดังเสียงเลื่อยมันก็ดังเสียงล้มมันก็ดังอะนะฮะมันคนไม่ได้ยินเหยลนะ่ระรอให้ตัดไมได้ได้ยังไงเป็นป่ า, ปาได้มันมันเป็นเรื่องที่ที่ที่เชื่อไม่ได้ะนะะว่าไม่มีคนรู้เห็นนอกจากว่าเป็นความเฉยเมยเป็นความไม่เอาใจใส่ต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบหรือต่อทรัพย์สินของแผ่นดินแต่นั้นเอง าแนวสมาชีพเนี่ยคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็ทำให้เราเคารพในทรัพย์สินของบุคคลอื่นสิทธิของบุคคลอื่นแล้วก็มานึกถึงบาปนะต้องนึกถึงบาปกรรมด้วยเพราะถ้าคนเรายังยังไม่คิดถึงบาปกรรมแล้วเนี่ยโอกาสจะเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นใครก็ตามที่ ประกอบอาชีพทั้งหลายต้องนึกถึงบาปบุญคุณโทษอยู่ด้วยสิ่งบางสิ่งที่เราได้มาแล้วมันได้มาด้วยความเป็นบาปมันก็เป็นเนื้อบาปหนังบาปแล้วก็เราก็ต้องรับผลบาปเหล่านั้นด้วยตัวเราแม้ลูกหลานวงวานว่านเครือที่เกี่ยวข้องมันก็ไม่ได้ภากภูมิใจไม่ได้สุขใจจะสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำ เดี๋ยวพูดคําศักดิ์คำจริงก็มาถึงกับสัตว์อีกแล้วฮะเราจะเห็นว่าตัวสัตว์จะเนี่ยเขาต้องมีมันมันมันเป็นลักษณะฐานคนเราจะได้เกียรดเนี่ยเพราะความสัตว์สะเจนะกิตติิงประปนติคนจะได้เกียรดเพราะความสัตว์ทําดีมาไงก็ตามวันเดียววันวันหนึ่งทั้งโกหกคาเดียวก็เสร็จแล้วเสียพูดเสียคนไปแล้วรอ้อดีพันดีชั่วหนึ่งทีพาดีไม่รอด นะเช่นว่าคนนี้เราเคยเคารพชื่อถือศรัทธามาตลอดแล้ววันหนึ่งเราโกหกเขาครับมันหัวใจสลายเลยนะฮะหัวใจสลายเลยแล้วก็ไม่เชื่ออีกแล้วคนนี้ถ้าเรื่องแรงๆเราไม่เชื่ออีกแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ที่น่าคิดนะเวลานี้มาเวลาติดต่อกับชาวบ้านต้องเตรียมใจนะเท็จเยอะเลยเท็จเยอะเล ย, เ ย, เลยรับปากหน้าเฉยตาเฉ ย, เยนะแล้วก็เงียบ ไอ้เงียบเฉยๆเราต้องยอมว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเราก็ อ, อยู่ในทร า, ามกลางสังคมอย่างนี้เราต้องยอมอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาไปกรรมใดใครก่อก็รับกรรมก็ไปเลยไปเดือดร้อนอะไรเขาก็าเป็นเขาอย่างเง้ย น, นั่นคือลักษณะสังคมที่ขาดความสนุกในเรื่องบัพุนขุนทุนตอนนั้นชื่อเสียงเนี่ยมันมีมกลายเป็นชื่อเสียนะ กลายเป็นชื่อเสียที่ที่เราต้องมองสังคมเวลานี้นะามาว่ามันต้องสัมมนาไดทํำไปมันสัมมนาทิศทางความคิดสังคมเนี่ยมันมั น, ม, นมันถึงข่าวสัมมนาว่าเวลานี้เราเราจะเห็นว่าทุกคนทุกแห่งเนี่ยมีปอบุญจิ้นเกินไปหมดทําทำไมคนยังสนใจปอบุญจิ้ น, นต้องมองนะว่าทำไมยังสนใจปอบุญจิ้ น, นคนเรียกร้องความเป็นธรรมนะ คนกระหายความเป็นธรรมและจริงชังสภาพสังคมพอเจอคนเป็นธรรมแลยมันมันมันอยากเชียร์มันอยากเชียร์เลยนะเดียวเป็นเป็นหนังเป็นภาพยนตร์นะครับเพราะฉนั้นสิ่งสิ่งที่เราค่อนข้างจะน่าคิดก็คือสุจริตยุติธรรมสัจจะนซื่อสัจสุจริตยุติธรรมเป็นจะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มีการเรียกร้องมันัะนยังมีการประชุมคราวหนึ่งหลายปีมาแล้ว ประชุมองค์กรของรัฐนะฮะแล้วก็เอกชนบริษัททางร้านต่างๆนี่สอบถามให้วิเคราะห์หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกับทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยฮะว่าการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมเขาบอกเขาไม่ติดใจในเรื่องในเรื่องหลักสูตรแล้วเขาไม่ติดใจเรื่องความรู้ไม่ติดใจในเรื่องความคิดไม่ติดใจในเรื่องฝีมือความสามารถเพราะเขาบอกว่าความรู้เนี่ยเขาะถมนิเทศเอาได้ ความคิดเนี่ยเขาประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดความเป็นกันได้เพราะระบบข้างนอกเนี่ยประชุมเยอะแล้วก็ความสามารถเนี่ยก็ฝึกก็ได้แต่ที่เขาอยากได้มากๆคือคนที่มีความซื่อสัตย์คนที่มีความรับผิดชอบคนที่ตรงต่อเวลาเขาอยากได้คนสามประเภทนะก็อยากได้คนสามประเภทหมายความว่าการเรียกร้องคนซื่อสัตย์เนี่ยเรียกร้องมา น, นาน แล้วเราก็ขาดแคลนคนประเภทนี้ท่าทางดีๆนะฮะพอถึงข้าเอา้าวเหลวเหลวเป็นน้าบางคนพูดอะไรได้คมๆอา้าวพอถึงตัวเองเก็ปรากฏรักษาสิ่งตัวนี้ไม่ได้เพราะนั้นธรรมะคือสัจจะพระพุทธเจ้าไปนเน้นที่ตัววาจาเพราะอะไรเพราะวาจามันเป็นสื่อที่ติดต่อได้มากพูดออกไปนี่บางคน คนได้ยินเยอะอย่างเวลนี้มันออกมาเป็นหนังสือพิมพ์ออกมาเป็นวิทยุออกมาเป็นโทรทัศน์เนี่ยพูดไปประโยคเดียวท่านั้นเองมันมันกระเถินค้ากระเถินดินนลยอะแล้วก็สื่อสารข้ามโลกแล้วเวลานี้มันมันมันคำทวีปไปหายเวลาติดต่อกันพืดเดียวโกหกโก่ตลอดทีนี้สมมติว่าไปไปไปฆ่าคนมันก็ฆ่าได้เฉพาะคนนั้นนั้นเองตรงนั้นท่านั้นเองนะฮะลักษาบก็กลักได้เฉพาะตรงนั้นแต่ว่าพอเท็จแมันเท็จมาหาศาลมาก พระฉะนั้นระพเจ้าจึงทรงสแสดงว่าอุตริมนุสธรรมในเป็นสุดยอดของมาโจดประการเพราะว่าการพูดอวดคุยเปเศษกันตัวเองไปหลอกลวงชาวบ้านหลงเชื่อในชาวบ้านหลงผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดหลงทางนะเป็นหมืนม่นหมืน่นแสนแสนเลยนี่จึงจึงกลายเป็นอันตรายหรือเจ้าก็มาเน้นที่โทสัต์จากแล้วก็เน้นที่สังวรกามาสังวรคือสมรวมระวังในเรื่องเพศนะฮะ เมื่อคืนก็อัดเทปออกวิทยุกรบพกกลางนะมันชักเป็นห่วงปีนี้วันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยเป็นวันมาคะเป็นวันเดียวกับวันมาคะไม่เคยตรงกันขนาดนี้เลยยังยังยังใกล้กันเนี่ยใกล้กันสองวัดเขาสิบสี่เราสิบหกเขาสิบสี่เราสิบสองอะไรต่ออะไรเนี่ยวันนี้ตรงเลยปีนี้ตรงมันจะสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่าง แล้วก็มาประรบกันในที่ประชุมวันก่อนว่าคติของวันมาเลนไทยเนี่ยมันไปอะไรมันมาอย่างไงที่จริงก็ขอให้จย์เต็มสิริเขาบันทึกมาให้นะป่านนี้ยังไม่ได้เลยก็ปรากฏในเอ็นจิโววีเดียกันนิดเดียวนะฮะข้อความว่าเป็นฤดูที่นกชนิดหนึ่งเขาจับคู่ผสมพันธุ์กันแต่นั้นเองแล้วคนเราก็ไปจับแบบคริปนะฮะแบบแบบแบบเทพบรรยายก r ีก เทพนัยกรีกจับแพะชนแกะจับแพชชนแกะจับสิ่งนี้มาโยงกับสิ่งนีน้เรากลายเป็นเรื่องสิ่งนี้ตํานานดอกกุหลาบตานานะอะไรต่างๆเนี่ยพวกวีนัทวีนเน็ตเทพเจ้าต่างๆที่เรามาพูดเนี่ยเราจ ะ, จะจะเห็นว่ามันใช้ปรากฏการธรรมชาติแล้วก็มาจับแพะชนแก่เอาคนถอยรับมาถ้ารับอยู่ระดับรักเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะรักกันฉันมิตร ก, กันฉันเพื่อนรักกันสันญาติเนี่ย แต่มันตเตลเิดเปิดเปลืงไปเพราะว่าไปมีตัวเลขไปปรากฏอยู่สถานที่แห่งหนึ่งคือตั้งครนโดยไม่มีพ่อนั้นปรากฏว่าเกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์นี่คือปัญหาสังคมที่ใหญ่มากๆและเราจะแก้อย่างไงและจะช่วยเหลือกันอย่างไงถ้งั้นตรงนี้ยก็คือขาดการสรํารวจเห็นไหมเจ้าทรงสอนเรื่องสํารวมระวังอย่าให้ประมาทพลาดครัง้งอย่าให้เผยเรืออย่าให้หลงลืมไปในเรื่องเหล่านี้แล้ว เราต้องลงมากลายเป็นสี่เรื่องสีเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเราจับหลักได้แล้วยังอื่นมันจะเกิดขึ้นเองแล้วสีเนี่ยไม่ต้องไปนับข้อแล้วนะเราจับตรงนี้ได้แต่ข้อเมตตาก็ได้นะฮะเมตตาก็ได้สติก็ไดนะ้ข้อสุราก็คือสติตรงผดพูดเรื่องสติให้ฝึกปรือให้จิต ใ, ใจมีสติในการทําในการพูด กรณี S 1> <S 1> ที่จริงตัวนี้มันก็พอแล้วนะต่อไปนั้นมันเป็นการพิสูจน์ท่านหลายลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องนี่ยเป็นการวัดผลเฉยๆนะเมื่อเราเรียนหนังสือแล้วก็เป็นการวัดผลนั่นนั้นเองอย่างคุณสมบัติของบาสกบาศิกาที่ทรงแสดงว่ามีศรัทธามีศีลเชื่อกรรมไม่เชื่อบองค์คนตื่นข่าวไม่สแสวงหาเกศบุญนอกพระพุทธศาสนาสแสวงหาเกศบุญเฉพาะในพุทธศาสนาะที่จริงมันไม่มีอะไรไอซี IC ข้อหลังนะมันพิสูจน์ว่าเรามีศรัทธาจริงหรือเปล่าต่นนั้นเอง ถ้าสัชาจริงตัวนี้มันเคลื่อนไหวมันไปเองตรงเนี้ยเมล็ดพืชต้นนี้เป็นต้นมะม่วงต่อไปเนี่ยปลายมันก็มะม่วงคุณไม่ต้องห่วงหรอกตอนปลายตอนยอดตอนดอกมันเป็นม่วงทั้งหมดอะแต่ปัญหาว่ามันเริ่มที่ตรงไหนตรงนี้เป็นการพิสูจน์ถึงความมีศีลความมีธรรมโดยเฉพาะความมีธรรมท่านจึงบอกว่ามีมนทินคือความสน่ขจัดออกไปแล้ว หมายความว่าจิตใจไม่มีความสนิทเพราะอะไรเพราะว่าเรามองคนด้วยเมตตาสมมติเราจับที่เมตตาเรามองคนด้วยเมตตาเขาต้องการความสุขเราต้องการความสุขก็แน่เราจะเริญเมตตานะขอไอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ขัดทุศร้ายกันให้แต่และชีวิตบริหารตนให้อยู่ดีมีสุขแล้วเราก็มีเมตตาต่อกัน เพราะเมตตาต่อกันเนี่ยความจริย์นี่คือหวงไว้ไม่ให้ใครเห็นไหมความจรนี์นี่หวงไว้ไม่ให้ใครถามมาเราหวงสมหรับใครถ้าคนเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราไม่ให้แต่ถามมาเรารักเราให้ไหมเราให้เราเมตตาเราให้เราศรัทธาเราให้เราพักดีเราให้อย่างเวเนี้ให้ให้ลองสังเกตว่าอามาว่าห้าสิบพรรษาก็ในหลวงในสวยรากก็ห้าสิบปีในหลวง เงินจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาในโครงการเฉลิมพระเกยียรเนี่ยเป็นพันๆล้านเลยมันมาได้ยังไงมาเพราะความจงรักภักดีเมือ่อเช้านี่เป็นข่าวเล็กๆมันมีปัญหาที่ประตูจะเอาน้ำกันน้ำเข้าเปิดน้ำออกที่โครงการแม่น้ำปากผนักชาวบ้านม่ยอมให้ที่ดินพันกว่าไร่ออกไม่ได้ ในหลวงรับสั่งที่ถ่ายทอดโทรทัศน์คืนวันที่สี่นะครับตอนนี้ให้แล้วให้แล้วรับสั่งถึงโครงการรุ่มน้ำปากพันนักเจ้าของที่ดินฟังอีกด้วยเลยเลยให้เลย <laughs> เห็นไหมนั่นคือความจุติธรัมภักดีมันกระดา้างมันแข็งกร้าวมันไม่ยอมมันเดินขบวนประท้วงอุตลุดไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะแกไม่ชอบคนไม่ชอบคน แต่พอถึงในหลวงกะจงรักภักดีแกให้รามาก็เคยบอกคนแถวนั้นแหละบอกว่าถ้ามีปัญหาแล้วนิมนต์พระไปช่วยสับ้างเพราะพระขออย่างได้นะฮะที่ดินขอที่ตัดถนนขอที่ขุดลำรางอะไรต่ออะไรเนี่ยขอได้สบายบิณฑบาตพักเดียวได้แล้วลถนนสายนะฮะแต่ต้องพระที่คนเคานับถือแถวนั้นนะฮนะชาวบ้านแถวนั้นเ็านับถืออยู่สามารถจะพูดได้ นี่คืออะไรคือเราสะท้อนให้เห็นว่าจิตใจที่เรามีความรักมีความเมตตามีความศรัทธามีความจงรักภักดีมีความเคารพเนี่ยมันขจัดตนีได้ไม่หวงหรอกฮะผลประโยชน์เราก็ยินดีให้ได้ที่อยู่อาศัยเราก็ยินดีให้ที่อยู่อาศัยได้ตณีอะไรล่ะตณีลาบลาภมัจฉระันนีลาบคือสณีผลประโยชน์ทั้งหลายเราก็ให้ได้ เรามีความเมตตามีความรักมีอะไรเนี่ยนะที่ที่ที่ที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยแล้วก็ที่อยู่อาศัยล้วก็ให้ได้สนีพวกสนีสกูลเราก็เอื้ออาทอน่วงใหญ่กันได้เพราะะงั้นตรงนี้ที่จริงเป็นการสะท้อนว่าเธอมีเมตตาจริงหรือเปล่าเพรานั้นเองนะถามว่าเธอมีเมตตาจริงหรือเปล่าถ้าเธอมีเมตตาเธอก็ําได้มันอยู่ที่ว่า เรามีความรู้สึกตกคนเหล่านี้ยังไงเท่านั้นเองธรรมะก็ขยายออกไปถ้าลองสังเกตดูว่าจริงๆธรรมะซ้ า, าอยู่ตลอดนะนะเหมือนเราหายใจอะหายใจตั้งแต่เกิดราหายใจอย่างเงี้ยเราก็ขาดไม่ได้เพราะงั้นลมหายใจท่านจึงเรียกว่ากายสังขารคือสิ่งที่ปรนปลื้อหล่อเลี้ยงร่างกายเราธรรมะนั้นเป็นจิตสังขารเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงปนปลือจิต จะปลนปลือววาจาเราทั้งสองข้อเนี่ยเป็นธรรมะเท่านั้นหมายความว่าจิตเราเนี่ยถ้ามีหลักธรรมะในการรักษาจิตเวลาเราคิ ด, เ ร, คดเราคิดดีนะเวลาเราทําเราก็ทําดีได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่กับเราตลอดเรียกว่าปลนปลือจิตของเราความจําในทางที่ดีนะการมองอะไรในทางที่ดีมันก็ทําให้เราพูดดีคิดดีไปตลอดนะฮะกระบวนการของเขาเนี่ แล้วก็มีนับใจเสียสลัเห็นไหมว่านอกจากไม่จะหนีแล้วยังเสียสลัไม่ใช่ไม่จนีเฉยๆแล้วก็วางไว้เฉยๆหมายความว่ า, วาเรามองเห็นคุณค่าของการเสียสลับตัวนี้มันมันท่านท่านจะเห็นว่า ม, มันมันมีอาการของสติอาการของปัญญาที่มีการตรวจสอบปินิพิจนาอย่างที่แนวความคิดของคนโบราณที่เรียกว่า ไปซับมาแล้วเนี่ยฮะส่วนหนึ่งก็ทิ้งเหวส่วนหนึ่งก็ให้กู้อส่วนหนึ่งก็ใช้นี่ส่วนห น, นึ่นงก็ฝังฝังไว้เป็นเป็นบุญญาณิธินะคำว่าทิ้งเหวก็คือกินนะเนพวกใช้สอยกินกระไปเนี่ยก็ทิ้งเหวนะกินหายกินหายก็ไม่เคยเต็มเหว๋อสักทีเลย เราไม่รู้จะกี่ตันกี่เแล้วก็ทิ้งเหวมันก็ทิ้งเหวแล้วก็ใช้นี่ก็คือเลี้ยงดูบุปการีพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบมันก็ใช้นี่ท่านให้กู้ก็คือเลี้ยงลูกนะฮะเลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงเลยงบริวารเลี้ยงลูกน้องก็คือให้ให้กู้ฮก็ต่อไปแกก็ใช้นี่เราใช้นี่แต่บางทีบางทีก็เบี้ยวนะลูกนี่ก็เบี้ยวก็เบี้ยวธรรมดาบางทีเราก็เบี้ยวก็มาก่อน แล้วก็ฝังไว้ในดินก็คือบุญญนิทิในการทำบุญใช้ทราบเรียกว่าให้เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าเพราะการฝังดินเนี่ยคือการการฝังดินที่เรียกว่านิทิก็คือทำบุญนะฮะทำบุญนั้นเป็นการฝังขุมทรัพย์เอาไว้แล้วก็เป็นสิ่งตรงนี้ที่จะติดตัวเราไปได้ อย่างอื่นมันหมดไปแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็เลี้ยงลูกก็หมดลูกเลี้ยง บ, บุปลาดีก็หมดไปที่เหงืก็หมดไปแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นสมบัติที่ติดตัวตอนคนเหล่านี้จึงเกิดจากปัญญาเด็ก็พิจารณาเห็นโทษของการเก็บการหวงไว้การไม่ปริโภคถ้าถึงสนีแล้วแรงสนีแล้วแรงนะเราจะพบว่าเรามีตำนานที่เกี่ยวกับปู่โสมนี่เยอะเลย ตาเป็นตายเป็นปู่สงฆ์เฝ้าทรัพย์พวกเจ้าที่ทั้งหลายเนี่ยฮะบางทีพวกสมภารที่ทําอะไรค้างา ง, างไว้นะตายแล้วไปเป็นพระภูมิมิ่งเฝ้าวัดอย่างนี้ว่าวัดไม่ได้ไปเกิดไปไป ไ, ปไม่ได้ไปผุดไปเกิดทันทีนี่ก็เป็นจิตใจที่ยึดติดนะฮะเพราะแรงพระสนิทพระหวงพระหวงสิ่งเหล่านั้นเอาไว้นะยัง ที่เคยล่าฟังถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ที่ ท, ที่ตัดจีวรใหม่เย็บจีวรใหม่นะพี่สาวก็เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเลี้ยงพระอะไรแต่ไรให้เย็บจีวรเป็นเรื่องใหญ่มากพระสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้นะฮะเราต้องเย็บกันเองต้องตัดกันเองแก ะ, ะกะกันเองช่วยกันท่านก็จะลองศรัทธาพี่สาวมากไปยังไงไมรู้ฉันอาหารไม่ย่อยเลยก็ตายนะ พอตายนี่ท่านเสียดายจีวรจะไม่ได้ห่มเลยกำลังตัดเย็บไว้อย่างดียังไม่ได้หม่มตายไปแล้วจิตมันเหนียวอยู่ที่จีวรเกิดเป็นเล่นติดจีวร อ, อย่างงั้นเนี่ยนั่นคือลักษณะรณตรณีตรหนีคือหวงติดทําให้จิตมันตกจิตมันตกต้องการจะบริโภคต้องการจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งซึ่งมันควรจะปล่อยนะฮะแกไม่ยอมปล่อยทีนี้ถ้าถ้าคนคนมองเห็นโทษตรงนี้มันก็เกิดอาการเสียสละ การเสียสละที่เราเรียกว่าจาคะนะฮะท่านท่า น, ท, านท่านตงางจะเห็นว่าในทศพิศราชธรรมเนี่ยมันมีทั้งสองคำทานัางศีหลังบริจาคขังเห็นนะฮะมีทั้งทานทั้งบริจาคถ้ามันเป็นเป็นอย่างนี้นะทานหมายถึงการสงเคราะห์หรือการให้ในรูปของการอนุเคราะห์ในรูปของการสงเคราะห์ในรูปของการบูชาตลอดถึงอภัยทาน แต่ทีนี้ในทศพิตรจะทําได้จริงอภัยทานมันมีที่ที่อกโกทะแล้วใช่ไหมอภัยทานก็ไม่ต้องพูดถึงถธรรมทานาธรรมทานนะี่ยก็มีอยู่ในข้อนี้องค์ธรรมยิ่งมากเนยฮะกรอกขอบขาก็จะยิ่งน้อยเพราะว่าตรงอื่นเนี่ยมันจะอยู่ที่อื่นจะไปอยู่ที่อื่นอกโกทะคือความไม่โกรธก็คืออภัยทานไอ้เกีอภัยทาน ที่นี่ปริจาคะเนี่ยปริจาคะบริจาคตรงนี้ไม่ได้เน้นที่ที่ที่รู ป, ปรวัตถุเพราะอะไรเพราะรูปวัตถุมันอยู่ที่ฐานไปแล้วก็มาเน้นที่การเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่นะเพราะงั้นคนที่ทํางานในลักษณะนี้นะลักษณะรับผิดชอบในการบริหารเนี่ยมันก็แบกประเทศไว้ทั้งประเทศนะ ไม่ว่าใครก็ตามนะแก่เร็วงนั้นนหะเพราะจริงๆแล้วเวลากินไม่ได้กินนะนะเราไปดูพวกข้าราชการทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาเขาอย่างอย่างระดับใหญ่ๆรับผิดชอบเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเนะี่ยบางทีตื่นเชา้ามากินกาแฟถ้วยเดียวแล้วมื้อเที่ยงยังไม่ได้กินไม่มีเวลาเกินตีวิกินตนะีสองตีสามหายไปเลยตีไปอีกกินอาหารนะตอนตอนเย็นเพราะงั้นพวกนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดี เพราะว่างานเนี่ยมันมันจะแยกเอาไปหมดเลยแต่ว่าอะไรก็เป็นภารากิจที่เราจะต้องเสียสละคือเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องทำงานจากนั้นแต่มีข้อแม้ว่าคนที่มีจิตวิญญาณจริงๆนะฮะคือทำด้วยจิตวิญญาณของนักบริหารจริงๆจะต้องมีน้ำใจของความเสียสละทีนี้ธรรมะปฏิบัติเหล่านี้มันก็สะท้อนออกไปได้เร่ ก็ทรงพูดถึงทร ง, ทรงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อ ม, มหมายความว่าจิตใจมีความพร้อมสำนวนสำนวนภาษาบาลีท่านเรียกว่ามีมือที่ชุม่มมือที่ชุ่มเนี่ยมันภาพอาตมา น, นึกถึงการตักบาทของภาคอีสานมือชุมม่มเนี่ยคือเขอล้างมือก็าหยิบข้าเหนียวอยู่ข้าเหนียวมาใส่บาทอยู่ข้าเหนียวแจกแล้วก็ล้างมือเพราะข้าเหนียวมันติด ติดมือฮะแนวโบราณแนวอินเดียเขาเข า, เขาทําทานอย่างนั้นเคยเห็นที่ที่ที่เนปาลดักบาทตอนต้นเดชอสังรก拉ร萨เดชนะฮะก็จะปั้นเป็นก้อนประโยน์ปั้นเป็นก้อนประโยนเพราะฉะนั้นมือต้องเปียกหือต้องเปียกก็ปั้นเป็นก้อนท่านบอกว่ามีฝ่ามืออันชุ่มใ น, นความว่าล้างมือเตรียมที่จะให้นะฮะล้างแค่แค่กับล้างมือเตรียมง่ายมันเป็ น, เ ป, นเป็นสานวนเป็นจํานวนที่เห็นว่ามิจิตใจเนี่ยมีน้ําใจ เธอพร้อมที่จะเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์นุเคราะห์แก่ค น, ท, คนทั้งหลายคนเดียวก็ทําจริงๆนี่เขาไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดรายละเอียดท่านจะเห็นว่าแนวทําบุญกับแนวให้ทานมันต่างกันนะแนวสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยเราไม่ไดงคิดเลยแล้วว่าเขาเขาเขจะเป็นยังไงสร้างเราให้เขาละกันสงเคราะห์เข า, ขาแต่ว่าแนวทําบุญไม่ได้แนวทําบุญต้องเลือก ไม่ใช่ว่าใครมาบอกบุญแล้วก็ทําทําส่งส่งไปอย่างนั้นนะพวกพวกทุจริตต่างๆเขาดีกาลอมมาหลอกชวนไปทอดกรถินตลอดทั้งปีใช่เลยมันจะมีอยู่สองแนวแนวสงเคราะห์เนี่ยเขาเดือดร้อนมาขอความสงเคราะห์เราก็สงเคราะห์เข้าไปสงเคราะห์เข้าไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีอย่างหนึ่งคือพวกนักต้มตุนมันเยอะนักต้มตุ๋นมันเยอะคือ คนเรานี่ถือมากว่าถ้าถ้าต้มกันแล้วนี่มันเสียศักดิ์ศรีมากเสียเลียบมากนะถ้าตรงๆว้าวันซื่อๆนี่ไว้ว่ากันนะถ้ามาหลอกมาลวงมาต้มกันแล้วเราก็เสียเพราะการทำทำความดีนี่ผลไม่ต้องออกมาเป็นสุขผลจะต้องออกมาเป็นสุขดังนั้นเอาข้อจริงแล้วสมับยุคสมัยนี้ต้องต้องพิจารณาเหมือนกัน แต่ในส่วนของการทำบุญนั้นท่านสอนนะครัสั้นสอนอพิจารณาคือมากว่าเราทำบุญด้วยปัญญาจะให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามจะทำอะไรก็ตามต้องทำด้วยปัญญาที่ท่านแสดงว่าวิเจยย า, านังสุกตปะปัสสัทถังการไข้ครวญการพิจารณาเสก่อนจึงให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประสุคต์สรนเสริญคือพระเจ้าทรงยกย่องสันเสริญ เราพิจารณาอะไรพิจารณาถึงวัตถุที่เราจะให้หมายความความมีไม่มีเนี่ยเราก็ต้องมองที่เรามีพอที่จะให้ได้หรือไม่ไม่จะมีพอบริโภคเราไปให้นะมีพอที่จะให้ได้หรือไม่เพราะอะไรเพราะว่าการทําบุญนั้นจะต้องไม่เดือดร้อนในการภายหลังนี่คือประเด็นเลยถ้าเดือดร้อนในการภายหลังแล้วมือมันนอนกายหน้าปากแห ม, ม่ทำไมทําบุญในตรงนี้เราก็ดีนะ อย่างนี้ไม่เอาแล้วฮะปุเจ้าไม่สอนก็พิจารณาถึงกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาเรามีกำลังทรัพย์มากพอไหมที่เราให้ได้เราให้ได้ขนาดไหนก็ให้ขนาดนั้นแหละแล้วก็ดูเรามีศรัทธาหรือเปล่าถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ต้องให้นะแต่มาจากการสังเกตว่าในสังคมปัจจุบันเป็นแนวศรัทธาอาศัยในศรัทธาอาศัยนี่เยอะทาไมหลวงพ่อคูณจึงได้เงินเยอะ ปีีตั้งสองสามรอยล้านเนี่ยน ะ, นะไม่ไม่ลักษณะศรัทธาอาศัยเราเห็นใน้ชัดเลยนะก็คล้ายๆกับหมูไปไก่มาเนี่ยะให้ปล่อยหลว ง, งพ่อทูลกุแจกพระนี่รุ่นกูให้มึงอะไรเนี่ยวาเอนะให้เราสังสังเกตว่าจะมีลักษณะอย่างนั้น <c oughs> เป็นแนวของหมูไปไก่มา <c oughs> คือว่าให้ซึ่งกันเดยกันนะพระที่เด่นเด่นดังดังดัง ในด้านธรรมะตรงๆเนี่ยยังไงยังไงมันมันมันก็ไม่หวือหวาหละยังไงก็เขาให้ก็ก็เรียกว่าเพราะศรัท ธ, ธาเลื่อมใสในธรรมะคนที่ให้มันก็ต้องมีพื้นฐานพื้นฐานทางจิตในสูแต่ว่าจากการสังเกตว่าแม้แต่กิจกรรมตรงเนี้นะกิจกรรมสมมุติว่าจัดงานรณรงค์เพื่อหาเงินอะไรสักก้อนหนึ่งเนี่ยปัญหาว่าใครเป็นหัวหน้า เรื่องใหญ่ได้ใครเป็นหัวหน้าหัวข้อในการรณรงค์เนี่ยที่จริงก็ค่อนข้างแสดงละคร น, นะฮะไปติดต่อกันไว้ก่อ น, นไปติดต่อกันไว้ก่อนแล้วคือคนแสดงความจำนวนบริจาคขึ้นบัญชีไปหมดแล้วแล้วมาออกโทรทัศน์แต่ว่าใครเป็นคนเซ็นชื่อเขาต้องมองว่าคนนี้สามารถจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ ท่านหลายลองนึกถึงยุคหนึ่งที่คุณอาทิตย์เป็นทั้งสอบปบตบป บ, อบสสสร้างโรงพยาบาลอะไรเนี่ยอุ้ยวันนั้นเปิดโรงพยาบาลสองสามแห่งเลยรถเนี่เป็นสิบสิบคันค น, คนมาให้กันนี่ตัววันได้รอสักคันเนี่ยเห็น น, นี่คือเราเห็นได้ชัดว่าศรัทธายิงอาศัยเนี่ยมันมีเยอะยิงอาศัยอำนาจอิทธิพลบารมีมาความว่าเราต้องได้แล้วก็คิดได้ในปัจจุบัน ที่ได้ในปัจจุบันแต่ว่าแนวจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเขาคิดต้องการขาจัดมนทินคือความสนีออกไปแล้วก็มองในแง่ของผลบุญถ้ามองละเอียดเนี่ยเขามองว่าเป็นเครื่องประดับจิตนะฮะเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะหมายความว่าการให้ทานนี้เป็นเครื่องประดับจิต มันทำให้มนทินความเสียดายความสนีทความโลภความโกรธความริษยาความแข็งดีแต่และอย่างนี้ให้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยห้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยเราขาจัดสิ่งนี้ออกไปแล้วเ ร, เราจึงให้ได้เพราะงั้นท่านกศในใช้ปัญญาในการพินิจพิญาณในการตรวจสอบดูดูทั้งตัวทยธรรมที่เราให้แล้วก็คนที่เราจะให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราต้องดูที่ศรัทธากระโดดที่กบังทรัพย์ทีนี้ของที่ให้นั้นต้องมีประโยชน์มองว่ามันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างจากการให้นะฮะไม่ใช่สำนวนที่เราพูดกันในหมู่พระบอกอันนี้มันย้ายอสวรรค์เนี่ยย้ายอสวรรคคือย้ายกันไปย้ายกันมาของบางทีนิยมห่อใส่ถาดอะย้ายกันเป็นสิบสิบวัดนี่ะนะฮะไม่ได้เปิดห่อเลยย้ายกันไปย้ายกันมาถึงกองเพื่อนบริจาคเอาเอาไปเอา ส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยส่งกันไปกันมาพอน้ําท่วมเกิดวาตภัยระทิงในแต่คอก็เก็บเก็บไว้นะเก็บเก็บไว้เขาไม่เคยดูไม่ไมี ม, มีอะไรอย่างเงี้ยนะพอเพื่นมาก็ขนขนขนขนไปบางจี น, นี่ยก็เดือนหนึ่งองค์องค์ที่ได้มาบ้านนี้เดือนแล้ว็ขนขึ้นไปต่างจังหวัดได้ทนะีขนไปไกลมาก็เอารถมาเลยมาขนไปเลยแล้วก็ไปบางแข่งเนี่ยฮะก็ตัวนั้นก็ยังไม่ได้เปิดอ่ะไม่ได้เปิดหอหรอ เขาดึงเขรับต่อไปะกว่าจะเปิดนี่บางทีก็แย่เลยเพราะเปิดออกมาทีบางทีก็เอกระดาษห่อนี่มันช้าไปแล้วก็เปลี่ยนห่อใหม่นะหอใหม่ก็ถวายต่อกับางทีของกันไหนเสียแล้วะยนกันไปโยนกันมาจนของเสียหมดแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทํากันโดยไม่ได้มองในแง่ของประโยชน์อย่างที่เคยบอกญาติโยมทั้งหลายทราบว่าไอ้ผ้าเหลืองๆที่เขาเอาไปขายที่โยมชอบไปซื้อมาถวายผ้านะ ก็เร no ียกว่าใจลวงก็เร right so so ียกว่าไใจลวงใช้อะไรไม่ได้นะลองแก้มาดูใช้อะไรไม่ได้เพราะผ้าเหลืองเราถือไม่เอาไปเช็ดพื้นไม่เอาไปทําอย่างอื่นนะฮะต้องเอาไปใช้ที่ี้ไม่ใช้นุ่งก็ไม่ได้นะใช้นุ่งก็ไม่ได้เสบงในใช้นุ่งไม่ได้ใช้ําผ้าอาบน้ําอะไรก็ไม่ได้แล้วก็กองสะสมหมักหมมอย่านัให้คนอื่นก็ก็อีกนะฮะอย่างว่าไปให้ของไม่ดีไปเดี๋ยวก็ตามมาสนองเราอีกก็เพื่อนก็ไม่กล้าให้กัน แต่ว่าแปลกคือมันอยู่ได้กันมาตลอดเคยพบเจ้าคุณบาลีคุณุมาอาจารย์ท่านเขียนทวงติงเอาไว้นะฮะนุ่นสมัยน่วนะเกือบร้อยปีอ่ท่านเขียนเตือนเอาไว้บอกญาติโยมเอาไว้ว่าเนี่ยมันก็หลอกพระแต่ตัวเองก็ถูกกีนหลอกมาร้านก็หลอกมาแล้วเราก็เอามาหลอกพระต่อไปก็หลอกตัวเองเสร็จแล้วก็มาหลอกพระพระก็ไปหลอกคนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะโอนกันไปย้ายไปย้ายมาอย่างงานศพเนี่ยฮะเราเราดองดูสิครพวกงานศพอะไรต่าง เป็นการสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จะไม่กดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นก า, การจะให้ทานเนี่ยต้องมองถึงประโยชน์ที่ผู้รับเขาจะได้ไม่ใช่ว่านึกจะย้ายของเศษๆอะไรไปให้แล้วก็ให้ไปบางทีอย่างพวกวัตถภัยอะไระอะไรเนี่ยนะเราจะพบว่าของกล่าวขาดอะไระอะไรใส่กล่องไปให้ ไปหาเพื่อนไปหลอกให้คนอื่นเอาของไปทิ้งอนนะไปทิ้งขี้เกียจทิ้งของนะฮะเอาให้เพื่อนอื่นก็ทิ้งให้นี่ก็แสดงว่าจิตใจไม่ไม่ได้มีเมตตาไม่ได้มีเมตตาต่อคนที่เราต้องการจะสงเคราะห์เพราะเาสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เหมือนไม่มีการสงเคราะห์นะะเหมือนได้มีการสงเคราะห์เพราะอเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเราต้องได้ประโยชน์คนอื่นต้องได้ประโยชน์ อย่างที่โบราณท่านแสดงเอาไว้ว่าทรัพย์ที่อยู่ในมือคนอื่นหนังสือที่อยู่ในตู้ในตู้สามีพัญยาที่ไม่อยู่บ้านเน่มีก็เหมือนไม่มีเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรมีตรกี่แสนล้านก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในมือคนอื่นทงหมดเราจะจ่ายตังบาากัไม่ได้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาสิ่งเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้ถ้าลองสังเกตที่จริงคือศีล น, นะทานศีลธรรมะสามคำแต่นั้นเอ ง, งนะ จริงๆก็คือธรรมะเพราะว่าถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยเราจะไปให้ทานเราจะไปรักษาศีลนะเราจะมีการสรงเคราะห์มีการโนเคราะห์มีการยินดีเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ห้คนอื่นเป็นคุณธรรมความดีที่ไปได้ทั้งทวนลมและตามลมจริงความชั่วก็ทวนลมตามลมะนะความชั่วก็ทวนลมตามลมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ต้องการกลิ่นอย่างนั้น สรงอุปมาในรูปของกลิ่นตินก็คือชื่อเสียงเกียรติคุณความดีที่นําไปยกย่องสรรเสริญกันฮู้คนนี้สิ่งนี้นะฮะก็เป็นความดีทั้งหลายเป็นที่น่าสังเกตนะว่ายังไงก็ตามคนเราสังคมจะเป็นยังไงก็ตามเวลายกย่องเขายกย่องคนดีอยู่นั่นแหละนะเขาคนดีมายกย่องแล้วจุดเน้นก็คือความดีที่ท่านเหล่านั้นมีเป็นตัวหลัก ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ตัวความรู้เป็นตัวหลักนะเขาเอาตัวความดีเป็นตัวหลักทั้งๆที่ยุคนี้เราจะเห็นว่ามันมีปัญหาเยอะแต่ว่าอะไรหรื่งคนดีสีสังคมอะไรแต่ไรเนี่ยฮะพวกมูนิชิอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เอามาคนยกย่กยองที่จริงก็คือยกย่องคนดีแล้วก็คนเหล่านั้นที่จริงก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอก ไม่รู้จักรูปร่างหน้าตาแต่ได้ยินได้ชื่อเสียงนะเกียรติคุณคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็รู้ๆกันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่ไม่เคยเห็นอายุอานามยังไงก็ไม่มีใครใครสนใจรายละเอียดอย่างนั้นเป็นการสนใจทีหลังเมื่อความดีของเขาปรากฏเด่นชัดต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเนี่ยคนก็จะนํามายกจอ่องยันในปัจจุบันนั้นเป็นการยกย่องระดับโลกนะเราจะเห็นว่าเป็นการยกย่องชืช่นชมกัน ร, ระดับโลก อย่างเจ้าคุณธรรมบดกที่เมื่อวานก็สมโพส ก, กันที่พุทธมณฑลนะฮะเป็นคนเอเชียนะไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลขององค์การยูเนสโกในตัวคนนะฮะไม่ใช่ตัวผลงานตัวผลงานเยอะ นหนังสือแก่นพุทธศาสตร์ของหลวงพ่อ พ, อพุทธทาสเนี่ยฮะก็ได้รับรางวัลอยู่ในโคหนังสือเมทีตะวันออกของอาจารย์เสถียรโพธินันก็ได้รับรางวัลอยู่ในโคนโ ค, ยโคเยอะนะฮะเกี่ยวกับเอกสารผลงานเน่ยเยอะเกี่ยวกับงานเน่ยเยอะแต่เกี่ยวกับตัวคนเนี่ยตัวคนเป็นคนเอเชียคนแรกถ้าถามมายกย่องอะไรยกย่องในฐานะข้อเขียนคำพูดผลงานของท่า น, ม, นมีลักษณะ ส, ส่งเสริม สร้างสรรให้เกิดสรรดีภาพขึ้นมาภายในโลกไอ้ยิงก็ทรรมในพุทธศาสนาเลยนะธรรมะในพุทธศาสน า, นะรรน า, นาแต่ของท่านพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษยอยู่หลายเล่มนะแล้วก็ออกไปเผยแพร่ก็เป็นที่รับรู้กันกว้างขวางเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ใครนะฮะไม่ได้อยู่ที่ใครเพราะใครเป็นคนมีคุณธรรมเหล่านี้ ชื่อเสียงกิตติคุณความดีของคนเหล่า น, นี้ก็จะไปได้ทั้งทนลลมและตามลมวันนี้ก็ขออยู่ติไว้ยในเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเ่าน